คำว่าทําไว้ในเบื้องหน้าสองอย่างเนี่ยนะทำไว้ในเบื้องหน้าด้วยอํานาจตันหากับทําไว้ในเบื้องหน้าด้วยอํานาจทิฐิพระอรหันตขีนาศพทั้งหลายละทําความไว้ในเบื้องหน้าด้วยตันหาถ้าทําความทําไว้ในเบื้องหน้าด้วยอํานาจตันหาก็คือปรารถนาโอ้อนาคตต่อไปเราพึงมีรูปอย่างนั้นเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนะปรารถนาขันห้าต่อไปอ่ะหรือด้วยอํานาจทิฏฐิก็เราเนี่ยจะด้วยทิฏฐิอันนี้จะเป็นเทวดาเป็นอะไรเป็นต้นเนี่ย พระอรหันต์ทั้งหลายเนี่ยท่านละความทำไว้ในใจด้วยอำนาจตันหาสละคืนความทำไว้ในใจด้วยอำนาจของทิฏฐิแล้วเพราะเป็นผู้ละทำความไว้ในเบื้องหน้าด้วยตันหาสละคืนความทำไว้ในเบื้องหน้าด้วยทิฏฐิแล้วพระอรหันต์คีนาศพจึงไม่ทำตันหาหรือทิฏฐิไว้ในเบื้องหน้าเที่ยวไปไม่นำตันหาเที่ยวไปของเราไปไหนบ้างไม่เอาตันหาพาไปอ่ะตันหาไม่พาไปะนะยากนะไปใต้ตันหาพาไปหรือ ไม่ใช่นึกถ้าไปไหว้พระธาตุก็ใช่นะท้าไม่ใช่นะั่นนะโอ้หไปเลยไปโน่นเลยประเทศอีกอย่างนั้นนั่นแหะมันก็ตันหานี่จะพาไปเนี่ยนะของมาด้วยนั่นแหละมันผู้ไม่มีตันหานั้นพารหารตะขีนาศเนี่ยเป็นผู้ไม่มีตันหาเป็นธงชัยไม่มีตันหาเป็นธงยอดไม่มีตันหาเป็นใหญ่ น, นนแะของเราเนี่ยไปไหนยังไงยกธงคือตันหานำหน้าก่อนเลยนะ ตายเนี่ยนะแล้วแต่ตันหามันจะทาไปทงนําหน้าหมดอนะ่ะพระหานนี้ไม่มีทิฐิเป็นทงใช้ไม่มีทิฐิเป็นทงยอดไม่มีทิฐิเป็นใหญ่จึงชื่อว่าผู้อันตันหาและทิฐิไม่แวดล้อมเที่ยวไปว่าโดยสรุปก็คือพระอรหันต์คีนาสถทั้งหลายไม่กําหนดด้วยตันหาทิฐิไม่ทําตันหาและทิฏฐิเอาไว้ในเบื้องหน้าแล้วก็เที่ยวไปนะไปไหนก็ตามท่านจะไม่มีตันหานําหน้าไม่มีทิฐิติดตามมาัน คำว่าแม้ธรรมะคือทิฏฐิทั้งหลายอันพระขีณาศพคือพระรหันส์เหล่านั้นไม่ปรารถนาเฉพาะแล้วพระหัส์ท่านไม่ต้องการทิฏฐิเห็นไหมท่านไม่ต้องการทิฏฐิก็อย่างที่กล่าวว่าทิฏฐิตัวมันเองก็ไม่เที่ยงอันปัจจัยปรุงแต่งอาศัยการเกิดขึ้นมีความสิ้นไปคลายไปดับไปแปรปรวนไปเป็นธรรมดานะทิฏฐิเหล่านี้ถ้าผู้ใดเนี่ยสมาทานยึดถือถือมั่นเนี่ยไอ้ทิฏฐิเหล่านี้มันก็เป็นไปเพื่อเกิดในนรกกับ เดรฉ า, านอยู่แล้วพนั่นะพันธะอรหันตขีนาศบจึงไม่ปรารถนาทิฏฐิเหล่านั้นไม่ปรารถนาทิฏฐิที่ยึดถือว่าโลกเที่ยงอย่างนี้จริงอย่างอื่นเปล่าโลกไม่เที่ยงเป็นต้นเยนยะคือไ อ, ไอ้ทิฏฐิที่เป็นไปด้วยอานาจสัจจะทิฏฐิอุดเฉททิฏฐิไม่มีสำหรับพาหันตะขีนาศบทั้งหลายอย่างถ้าเราทรงจาพระพุทธคุณบทว่าสุขโตได้เนี่ยนะ สุขโตเนี่ยพระพุทธเจ้าเนี่ยไปดีแล้วอ่ะคําว่าไปดีก็คือไม่ไปด้วยอํานาจสัตตถิฏฐิไม่ไปด้วยอํานาจของอุดเฉททิฏฐิอ้าวแล้วพระองค์ไปยังไงก็ไปวันนี้ทุกนะนี้เหตุเกิดแห่งทุกขนี้ความดับทุกขนี้ข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกขพระองค์ไปแบบนั้นว่าเออความจริงในโลกนี้มีแต่ทุกทุกเท่านั้นแหละเกิดขึ้นทุกเท่านั้นแหละตั้งอยู่ทุกเท่านั้นแหละดับไปอันนัไม่เข้าทุกกระทุกก็สังขารทุกใช่ไหม ไม่เข้าสังขาระทุกก็วิปรินามะทุกอันนะั้ไม่ทุกเพราะเจ็บปวดก็ทุกเพราะไม่เที่ยงทุกเพราะไม่เที่ยงก็ทุกเพราะแปรปรวนไปเพราะฉะนั้นขันห้าทั้งหลายก็เป็นอย่างนั้น น, นั่นแหละขันห้านั่นแหละคือตัวทุกเพะฉะนั้นท่านจึงไม่ได้สําคัญด้วยอำ น, นาจตันหาทิฏฐินําหน้าพาไปแม้แต่น้อยเดียวพระหันผู้เป็นพราหมณ์อันใครใคไม่พึงนําไปด้วยศีลและพรตเนี่ยนะคําว่าพราหมณ์ก็คือเป็นชื่อของพระรหัน์ที่ไม่มี สกายติ ท, ทิวิจิกิจชาศีรพัตตราม마 ต, ตันหามานะทิฏฐิแม้แต่นิดเดียวอันพรหันเนี่ยผู้เป็นพรามอันใครๆไม่พึงนำไปได้ด้วยอำนาจศีลและพรตเนี่ยนะความว่าพระาหันผู้เป็นพรามย่อมไม่ไปไม่ออกไม่เลื่อนลอยไปไม่เล่นไปด้วยศีลหรือด้วยพรตหรือด้วยศีลและด้วยพรตเพ ร, พ ร, ราะฉะนั้นพาหันผู้เป็นพรามอันใครๆไม่พึงนำไปด้วยศีลและด้วยพรต คำว่าย่อมเป็นผู้ถึงฝั่งเนี่ยนะไม่กลับมาเป็นผู้คงที่พาาระอรหันเนี่ยถึงฝั่งคำว่าฝั่งอะคืออะไรอ ม, มะตะนิพานเรียกว่าฝั่งได้แก่ธรรมะเป็นที่สงบระงับสังขารทั้งปวงธรรมะเป็นที่สละคืนอุปธิทั้งปวงสละสังขารก็คือไม่ถูกปัจจัยปรุงแต่งสละคืนอุปธิก็คือไม่มีกรรมวิบากและกิเลสนะไม่มีอุปธิคือวิบากกรรมกิเลสไม่มีสักอย่าง เป็นที่สิ้นตัญหาเป็นที่สำรอกตัญหาเป็นที่ดับตัญหาเป็นที่ออกไปจากตัญหาเครื่องร้อยรัดผู้ใดไปถึงฝั่งบรรลุถึงฝั่งแล้วไปถึงส่วนสุดบรรลุส่วนสุดแล้วไปถึงที่สุดบรรลุที่สุดแล้วเนี่ยนะอัน ข้อความเต็มนี่มีอยู่ในหน้าเก้าสิบสองเนี่ยนะที่บอกว่าออขออภัยหน้ายี่สิบเก้าสามสิบเป็นต้นไปเนี่ยบอกว่าผู้ถึงฝั่งเนี่ยนะก็คือผู้ที่ถึงพระนิพานเนี่ยนะว่าพระอรหัน์เนี่ยเป็นผู้ไข้เพื่อจะถึงฝั่งเป็นผู้ย่อมไปสู่ฝั่งถึงฝั่งนนะเนี่ยนะพระอรหันเนี่ย ถึงฟังด้วยการรู้ยิ่งถึงฝั่งด้วยการกําหนดรู้ถึงฝั่งด้วยการละถึงฝั่งด้วยการเจริญถึงฝั่งด้วยการทําให้แจ้งเนี่ยนะถึงฝังด้วยสมาบัติถึงฝังด้วยทำทั้งปวงด้วยอภิญญาถึงฝั่งแห่งทุกทั้งปวงด้วยปริญญาถึงฝั่งแห่งกิเลสหรือสมุทัยด้วยปหานะถึงฝั่งแห่งอริยมรรสีด้วยการเจริญถึงฝั่งแห่งนิโรธด้วยการทําให้แจ้งถึงฝั่งแห่งสมาบัติทั้งปวงด้วยการบรรลุ พระารหันเนี่ยจึงเป็นผ <Yaz. S 1> ู้ชำนาญถึงความชำนาญถึงความสําเร็จในอริยศีนถึงความชำนาญถึงความสําเร็จในอริยสมาธิถึงความชำนาญถึงความสําเร็จในอริยปัญญาถึงความชำนาญถึงความสําเร็จในอริยวิมุตตระารหันเนี่ยไปสู่ฝั่งแล้วถึงฝั่งแล้วไปสู่ส่วนสุดถึงส่วนสุดแล้วไปสู่ที่สุดถึงที่สุดแล้วไปสู่ที่สุดรอบถึงที่สุดร้อยที่สุดรอบแล้วไปสู่ความสําเร็จถึงความสําเร็จแล้ว ไปสู่ที่ป้องกันถึงที่ป้องกันแล้วไปสู่ที่รับถึงที่รับแล้วไปสู่ที่พึ่งถึงที่พึ่งแล้วไปสู่ที่ไม่มีภัยถึงที่ไม่มีภัยแล้วไปสู่ที่ไม่จุติถึงที่ไม่จุติแล้วไปสู่ที่ไม่ตายถึงที่ไม่ตายแล้วเนี่ยนะไปสู่นิพพานถึงนิพพานแล้วอันพระอรหันเนี่ยท่านจึงเขาเรียกว่าเป็นผู้ถึงฝั่งจริงๆอย่างที่กล่าวไปพระอรหันนั้นย่อมไม่กลับ ความว่ากิเลสเหล่าใดอันพระอริยะบุคคลเนี่ยละแล้วด้วยโสดาปฏิมักพระอริยบุคคลนั้นย่อมไม่มาถึงอีกไม่กลับมา น, นะไม่กลับไม่กลับมาถึงหรือไม่กลับมาสู่กิเลสเหล่านั้นอีกกิเลสเหล่าใดอันพระอริยะบุคคลละแล้วด้วยสกทาคามิมักพระอริยะบุคคลนั้นย่อมไม่กลับมามาอีกไม่กลับถึงไม่กลับมาสู่กิเลสเหล่านั้น กิเลสเหล่าใดอันพระอริยะบุคคลละแล้วด้วยอนาคามิมักพระอริยะบุคคลนั้นอ่ะย่อมไม่ถึงอีกไม่กลับถึงไม่กลับมาสู่กิเลสเหล่านั้นกิเลสเหล่าใดอันพระอริยะบุคคลละแล้วด้วยอรหัตต์มักพระอริยะบุคคลเหล่านั้นย่อมไม่ถึงอีกไม่กลับถึงไม่กลับมาสู่กิเลสนั้นอีกนะท่านไม่กลับไม่หวนย้อนมาหากิเลสเลยนะคืออริยมักเนี่ยไปดีจริงๆ ตั้งกัโสโซดาปฏิมัคที่ละกิเลสแล้วจะไม่กลับมาย้อนมาสู่กิเลส ท, ที่ละแล้วเนี่ยสกาทาคามีมักอนาคามีมักอรหัตมักก็เหมือนกันถ้ายิ่งเป็นพระอรหันต์ก็เลยไม่กลับมาสู่กิเลสอีกเพราะฉะนั้นท่านเรียกว่าเป็นผู้ถึงฝั่งถึงฝั่งแห่งพระนิพพานด้วยอริยมรรคทั้งสี่ประการไม่ย้อนหัวนกลับมาหากิเลสอีกต่อไปพระอรหันต์เนี่ยชื่อว่าเป็นผู้คงที่เนี่ยนะเป็นผู้คงที่ด้วยอาการห้า คือเป็นผู้คงที่ในอิทธารมอณิธารมณ์นะอย่างที่หนึ่งในอย่างที่สองเป็นผู้คงที่เพราะสละแล้วอย่างที่สมเป็นผู้คงที่เพราะข้ามแล้วสี่ก็เป็นผู้คงที่เพราะข้ามพนแล้วห้าเป็นผู้คงที่เพราะแสดงออกซึ่งธรรมะนั้นๆข้อแรกนะที่บอกว่าผ่าหันเป็นผู้คงที่ก็คือคงที่ในอารมณ์ที่น่าปรารถนาและไม่น่าปรารถนาคืออิทธารมณิธารมเนี่ยเป็นอย่างไร คือพาราหานเนี่ยเป็นผู้คงที่ในลาบแม้ในความเสื่อมลาบคงที่ในยศแม้ความเสื่อมยศคงที่ในสันเสริญและก็นินทาคงที่แม้ในสุขและทุกเพรันอิทธารมคือลาบสันเริญสุขยศเนี่ยนะพาราหานเนี่ยก็ละล ะ, ละฉันทราคะนะคือไม่ได้ดีใจเพราะลาบยศสันเสริญและความสุขไม่เสียใจยเพราะเสื่อมลาบเสื่อมยศนินทาและก็ความทุก หากว่าชนทั้งหลายพึงรูปไร้แขนข้างหนึ่งของผ่าทหารด้วยเครื่องหอมพึงถากแขนข้างหนึ่งด้วยมีดผ่าทหา์ย่อมไม่มีความยินดีในการรูปไร้ด้วยเครื่องหอมโน้นนะและไม่ยินร้ายในการถูกถากด้วยมีดน้นเป็นผู้ละการยินดียินร้ายเสียแล้วเป็นผู้ล่วงเลยการยินดีหรือล่วงเลยการดีใจและเสียใจแล้วเป็นผู้ก้าวล่วงความยินดียินร้ายเสียแล้ว พาฏฐานจึงชื่อว่าเป็นผู้คงที่ในอิทถารมณ์และอนิถารมณ์คงที่ในอารมณ์ที่น่าปรารถนาและไม่น่าปรารถนาโดยปกติทั้งหลายโดยปกติสัตว์ทั้งหลายเนี่ยนะถ้ารับอิทถารมเนี่ยนะจะยินดีใช่ไหมด้วยอำนาจโลภะถ้ารับอนิถารมณ์จะยินร้ายด้วยอำนาจโทสะเมื่อพาฏฐานท่านละราคะและโทสะได้แล้วท่านจะยินดียินร้ายกับอิทถารม์และอนิถารมณเพราะเหตุไร ผ่านพาหันจึงชื่อว่าเป็นผู้คงที่ในทุกอารมณ์เหนผ่านาหันชื่อว่าเป็นผู้คงที่เพราะสละแล้วอ่ะท่านสละอะไรไปบ้าง น, น, นะนะที่ท่านคงที่เพราะท่านสละไปสิ่งที่ท่านสละก็คือพรานพาหันเนี่ยสละคายปล่อยละสละคืนเสียแล้วซึ่งความกาหนัดความขัดเคืองและความหลงก็คือสละคืนราคาโทสะโมหะสละคืนความกโกรธความผูกโกรธเนี่ยนะโกธอุปนหะ สละคืนความลบหลู่ความตีเสมอสละคืนความริษยาความตรนีสละคืนความลวงหลอกลวงกับความโอ้อวดสละคืนความกระด้างความแข็งดีสละคืนนะสละความถือตัวความดูหมิ่นสละคืนความเมาความประมาทสละคืนกิเลสทุจริตสละคืนความกระวนกระวายความเร่าร้อนสละคืนความเดือดร้อนและอกุสละพิสังขารเพราะนั้นพาหันชื่อว่าเป็นผู้คงที่พสละ ก็คือสละกิเลสสละสมุทัยสละตัณหาทุกชนิดเนี่ยนะพาหัน์ชื่อว่าคงที่เพราะผู้ข้ามแล้วที่สามก็คือข้ามแล้วอ่ะถามว่าพระาหันข้ามขึ้นข้ามพ้นก้าล่วงก้าล่วงด้วยดีก้าล่วงอะไรก็คือก้าล่วงกามโมฆะพวคะทิทโถโขฆาวิโชคะและคลองแห่งสังสาระเนี่ยนะพาหันเนี่ยก้าวล่วงตัวโลภะกับวิชชาได้แล้วนะคลองแห่ง ขันอายตนะธาตุเนี่ยผ้ารหันก็เข้าล่วงแล้วพผ้ารหันนั้นอยู่จบเนี่ยนะประพฤติจารณะแล้วเนี่ยนะนรายละเอียดจะดูก็หน้าสามสิบเอ็ด น, นะนะอันผ้ารหันเนี่ยเป็นผู้ที่พบใหม่ไม่ได้มีพราะมันผ้ารหันเป็นผู้คงที่เพราะข้ามแล้วระหว่าข้ามวัตตะได้เรียบร้อยหมดเสร็จแล้วผ้ารหันเชื่อว่าเป็นผู้คงที่เพราะข้ามพ้นแล้วอย่างไร พระพระทหารเนี่ยเป็นผู้มีจิตพ้นแล้วพ้นวิเศษแล้วพ้นดีแล้วจากความกําหนัดและความขัดเคืองจิตของท่านไม่มีราคะโทสะโมหะความโกรธความผูกโกรธความลบลู่ความตีเสมอริษยาตรณีความลวงความโอ้อวดกระด้างแข็งดีถือตัวดูหมิ่นมัวเมาประมาทกิเลสทุจริตความกวนกวายความเร่าร้อนความเดือดร้อนอากุศลอกุศลอกุศลาภิสังขารท่านละได้เด็ดขาดอะ พระอรพาถานจึงชื่อว่าคงที่เพราะข้ามพ้นแล้วจากบาปธรรมเหล่านี้พาหันเป็นผู้คงที่เพราะแสดงออกซึ่งธรรมะนั้นๆอย่างไรคือพาถานเนี่ยคงที่แสดงออกว่าเป็นผู้มีศีลเมื่อศีลมีอยู่พระาหานเนี่ยเป็นผู้คงที่แสดงออกว่าเป็นผู้มีศรัทธาในเมื่อศรัทธามีอยู่พระาถันเนี่ยเป็นผู้คงที่ แสดงออกว่าเป็นผู้มีความเพียรเป็นผู้มีสติเป็นผู้มีตั้งมั่นเป็นผู้มีปัญญานะก็คือศีลศรัทธาวิรยิยสติสมาธิปัญญานะก็คืออินทรี่ห้านะแสดงออกซึ่งอินทรียห้าซึ่งอินทรี่ห้าที่ท่านมีอยู่เ <Yeah. S 1> นี่ยนะพระธรรมชื่อว่าเป็นผู้คงที่เพราะมีวิชาสามในเมื่อวิชาสามมีอยู่คือพระธรรมท่านระลึกชาติได้รู้เห็นสัตว์เกิดสัตว์ตายตรัสรู้อริยสัตว์ละอาสวะได้หมด พาหันก็ชื่อว่าเป็นผู้มีอภิญญาหกในเมื่ออภิญญามีอยู่เพราะพาหันทั้งหลายก็เป็นผู้บริบูรณ์ด้วยศีลบริบูรณ์ด้วยศรัทธาวิริยาสติสมาธิปัญญาบริบูรณ์ด้วยอภิญญาสามด้วยวิ ช, ชาสามด้วยอภิญญาหกเพระนั้นพาหันเนี่ยชื่อว่าคงที่พระแสดงออกซึ่งคุณธรรมนั้นๆนั่นเองอันพระาหันเนี่ยเป็นผู้ถึงฝั่งไม่กลับมาเป็นผู้คงที่โดยสรุปคาถานี้ว่าพระาหันตะขีนาศทั้งหลาย ไม่กำหนดนะนะไม่กำหนดด้วยตันหาทิฏฐิย่อมไม่ทำตันหาและทิฏฐิไว้ในเบื้องหน้าแม้ธรรมะคือตันหาและทิฏฐิอันผ้าหันเหล่านั้นไม่ปรารถนาเฉพาะเลวผ้าหันเนี่ยเป็นผู้อันพรามาผ้าหันผู้เป็นพรามอันใครๆไม่พึงนำไปด้วยศีลและพรสย่อมเป็นผู้ถึงฝั่งไม่กลับมาเป็นผู้คงที่ดังนี้นะ น, นี่ก็เป็นข้อความในประมาท ประมัทกะสุตตานิเทศที่ห <c oughs> ้าก็กล่าวถึงความยึดถือทั้งหลายเนี่ยนะพวกลัทธิภายนอกนอกพระพุทธศาสนานอกผู้มีสติปัญญาตามเห็นอริยสัจเนี่ยนะก็จะมีความยึดถือเมื่อมีความยึดถือยึดถืออย่างใดอ่ะนะก็ปฏิเสธคนอื่นว่าคนอื่นเนี่ยเลวเพราะฉะนั้นพวกที่ยึดถือในทิฏฐิอั น, นิสงส์ที่ได้รับก็คือความ ทะเลาะความแก่งแย่งความวิวาทพมันผู้ที่ทะเลาะแก่งแย่งวิวาทอย่างนี้นะถามว่าทําไมเขาจึงทะเลาะแก่งแย่งวิวาทแบบนั้นก็เพราะเขาเห็นอา น, นิสงส์ในทิฏฐิของเขาอะ่ะทิฏฐิของเขาทําให้เขามั่งมีด้วยลาบสการะสรรเสริญมีคนนับหน้าถือตาแล้วก็ยังเข้าใจว่าทิฏฐิตัวนี้เนี่ยมันจะนําไปสู่สุคติโลกสวรรค์จะทําให้บรรลุมรรคผลนิพพานในขณะเดียวกัน เขาจึงดูหมินดูถูกดูแคลนทิฏฐิ อ, อื่นจากของเขาว่าทิฏฐิอื่นเนี่ยเลวเพราะฉะนั้นผอาหันทั้งหลายเนี่ยนะผู้ฉลาดเนี่ยจึงบอกว่าไอ้ทิฏฐิอย่างนั้นเนี่ยเป็นเครื่องร้อยรัด น, นะเพราะว่าไอ้ทิฏฐิอ น, นั้นก็ดูหมินทิฏฐิคนอื่นเขาเพราะฉะนั้นภิกษุก็อย่าไปเป็นแบบนั้นนะอย่าไปยึดถืออย่าไปอาศัยตันหามานะทิฏฐิในรูปในเสียงในกลิน่นในรสในโพธาภะในศีลและวัด อย่าไปมีตันหาทิฏฐิอย่าไปยึดถือแบบนั้นแล้วก็ภิกษุก็อย่าไปกำหนดทิฏฐิ62ในโลกนะอย่าไปยึดด้วยทิฏฐิเนี่ยนะไม่ว่าจะในอภิญญาในสมาบัติในศีลในวัดเนี่ยแล้วก็ไม่ต้องนำไปยึดต่อไปสำคัญตนว่าตัวเองเนี่ยเลวกว่าเขาดีกว่าเขาประเสริฐกว่าเขาหรือว่าต่ากว่าเขาเมื่อละตนไม่ถือมั่นไม่ทำนิสัยเพราะยานนั้นนะนะชนนั้นก็ ถ้าเขาแตกแยกกันก็อย่าไปเล่นเป็นพวกเพราะฉะนั้นอย่าไปถึงเฉพาะอย่าไปเข้าสู่รัฐทใดไม่ต้องไปเข้าสู่ที่ถิอย่างใดอย่างหนึ่งเลยแบบนั้นนั่นก็อย่าไปตั้งไว้เพื่อที่สุดของทั้งสองนะอย่าไปตั้งไว้ด้วยอำนาจตันหาในที่สุดทั้งสองแล้วก็อย่าไปตั้งความปรารถนาเพื่อพบน้อยพบใหญ่โลกนี้โลกอื่น พระอรหันเนี่ยท่านไม่มีเครื่องอยู่ด้วยตัณหาและทิฏฐิท่านไม่ตกลงใจด้วยอํานาจทิฏฐิแล้วก็ถือมัน่นยึดถืออย่างใดอย่างหนึ่งหรอกอนะทิฏฐิทั้งหลายทั้งหมดที่กล่าวไปเนี่ยนะก็เกิดจากสัญญาในอารมณ์ที่เห็นได้ยินเป็นต้นเนี่ยนะพระอรหันเนี่ยท่านไม่มีทิฏฐิในสัญญาเลยเพราะฉะนั้นใครๆเนี่ยจะกําหนดพระอรหัน์ในภพต่อไปว่าพระอรหันเนี่ยจะมีอยู่ในที่ไหนเนี่ยกำหนดไม่ได้เพราะพระอรหันเนี่ย ไม่กําหนดด้วยตันหาและทิธิไม่ทําตันหาและทิฐิไว้ในเบื้องหน้าทิฐิทั้งหลายพาหันท่านก็ไม่ต้องการพระาหันเนี่ยใครๆนําไปด้วยศีลด้วยพลธไม่ได้พาหันเนี่ยเป็นผู้ถึงฝั่งถึงฝั่งคือนิพานไม่กลับมาหากิเลสในอริยมรรที่ที่ได้เจริญไปแล้วเป็นผู้คงที่จริงๆเนี่ยนะเป็นผู้คงที่ทั้งในอิทธารมอนิธารมเป็นผู้คงที่เพราะสละกิเลส เป็นผู้คงที่เพราะข้ามโอฆาสเป็นผู้คงที่เพราะพ้นจากกิเลสทุกชนิดเป็นผู้แสดงออกซึ่งศีลศรัทธาวิริยสติสมาธิปัญญาเป็นผู้คงที่แสดงออกซึ่งวิชาสามอภินญาหกเนี่ยนะก็เป็นเรียกว่านาบุญเป็นพระมหาขีณาศพผู้สิ้นอาสวะ น, นะเป็นอัครทัเคนายะบุคคลของโลกพร้อมทั้งเทวลโลกเนี่ยนะอันนี้ก็เป็นข้อความในปรมาถะ ประมาทกะสุตตนิเทศที่5นนข้อความในคำพี ม, มหานิเทศ